พึงพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเพื่อฟังธรรมการฟังธรรมมันก็เป็นการฝึกฝนอบรมจิตส่วนหนึ่งถ้าผู้ฟังโดยเคารพในขณะที่ฟังอยู่นี่ก็ตั้งสติสำรวมจิตให้อยู่ภายใน อย่าให้มันส่งออกไปข้างนอกสติให้เข้าไปควบคุมจิตอยู่ภายในอย่าระลึกไปทางอื่นคอยฟังแล้วก็พิจารณาตามธรรมะที่ท่านแสดงไปเมื่อเราพิจารณาตามไปอย่างนั้นสิ่งใดที่เราไม่เคยคิด ไม่เคยรู้มาแต่ก่อนเมื่อท่านแสดงไปมันก็รู้ทราบซึ้งในใจว่าเออเรื่องนี้เราไม่เคยได้คิดเราไม่เคยได้รู้มาเลยวันนี้ก็มาคิดได้รู้ได้ขึ้นมาเมื่อได้ฟังคําสอนไปนี่มันก็จะเกิดความปีติอิ่มใจขึ้นมาเหมือนอย่างบุคคลที่ไปขุด หาแร่ทองคำแร่เงินหรือหาแก้วแหวนของมีค่าต่างๆหมดนั่นแหละเวลาลงมือขุดไปสิแรกมันก็เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปแหละแต่อดทนเชื่อมั่นในใจว่าคงมีของมีค่าอยู่ใต้ดินนี่ลงไปนี่ หรือว่าใต้หินลงไปเนี่ยเมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างนี้ก็อดทนขุดลงไปเจาะลงไปพอไปเจอแก้วหรือไปเจอทองคาธรรมชาติเข้าไปได้อย่างนี้ก็ดีอกดีใจความเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็หายนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นนหละผู้ฟังทำเมื่อพิจารณาตามไป ความรู้ความเห็นอันแปลกประหลาดเกิดขึ้นในใจซึ่งไม่เคยรู้มาแต่ก่อนอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจเบิกปานผ่องใสก็ชั้นนั้นแหละเหมือนอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ในพระธรรมจักรกับประวัตินสูตรนะนะอีดังโคปนาภิคเวดุขัางอริยสัจจัง คือว่าความทุกข์อันเป็นธรรมของจริงเหล่านี้นะซึ่งพระองค์ไม่เคยรู้มาแต่ก่อนอบัด น, นี้ก็มารู้ขึ้นมาแล้วนี่แหละรู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์จริงความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์จริงความพรัดรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์จริง ความได้พบผาสมาคมกับบุคคลอันเป็นที่ไม่พออกพอใจก็เป็นทุกข์ความพระท่าความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก่อเป็นทุกข์ทุกข์รกรยอดก็คืออุปทานขันธ์ทางห้าการที่จิตใจไปเข้าไปยึดมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ย เป็นทุกข์รวกยอดเลยบรรดาทุกข์ทั้งหลายแล้วมันรวมอยู่ที่ใจยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่ทั้งมั่นเลยบัดนี้ถ้าว่าใจไม่ยึดมั่นในขันห้าว่เาเป็นตัวเป็นตนแล้วไอ้ทุกข์อย่างอื่นมันก็คลายออกไปตามกันอย่างเช่นทุกข์เกิดจากความรักก็ดีความชังก็ดี ความโกรธต่างๆหมู่นี้นะความผิดหวังต่างๆหมูนี้มันก็เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี่เพราะอะไรนะมันจึงเบาบางไปอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อจิตใจนี่มันตปรงมันวางขันห้าอะ้ลงไปไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วอย่างนี้นะมันมองเห็น ขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่มีสภาพเป็นอย่างไรแล้วก็มองเห็นขันห้าของผู้อื่นนั่นก็มีสภาพเหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกันเลยถ้าหากว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อขันห้าของผู้อื่นเช่นเดียวกัน ก็เมื่อทำสิ่งใดสเสวงหาต้องการสิ่งใดสเสวงหาสิ่งใดเมื่อมันไม่ได้สมหวังแล้วมันก็พิจารณาเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงดูแต่ขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่มันก็ยังไม่เที่ยงแล้ววันนี้จะให้สิ่งอื่นนั่นมันเที่ยงได้อย่างไรอ่ะมันก็ย่อมมีความเกิดขึ้นแปรปรวนแตกดับไปเหมือนกัน รู้เห็นอย่างนี้แล้วจึงไม่เดือดร้อนอการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเข้าของลาบยศอันใดเมื่อได้สมหวังก็ไม่เพิดเพลินมัวเมาเกินไปเมื่อผิดหวังไม่ได้ลาบได้ยศไม่ได้เงินได้ทองตามที่ต้องการก็ไม่เสียใจก็เพราะของไม่เที่ยงแล้วจะให้มันได้สมหวังทุก เวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการมาแต่ไหนล่ะมันเป็นของไม่เที่ยงนี้บางทีมันก็ได้มาบางทีมันก็ไม่ได้สมหวังออย่างนี้มันเป็นโลกธรรมดานี่พอเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงไม่มีทุกข์วะนี่จิตใจอันนี้นะนั่นแหละ ยังว่าข้อสำคัญจึงว่ามราพยายามพิจารณาเห็นแจ้งในขันห้านี่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วก็พยายามปรงพยายามวางมันไปเรื่อยๆพยายามสอนใจนี่เสมอไปให้ให้มันมีสติรู้อยู่เสมอว่าจิตนี่ไม่ได้ถือมั่นว่าขันห่านี่เป็นตัวเป็นตนให้มัน รู้มันเห็นอยู่ตรงนี้ติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะไปรู้เอาแต่เวลานั่งภาวนาพิจารณาอยู่เท่านั้นอันนั้นยังห่างมากอันนั้นนะมันยังไม่พ้นจากความหลงจำเป็นเราต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้ติดต่อเลื้อยไปอยู่ในใจนั่นนะพอกำหนดพิจารณาเวลาไหนก็เห็นแจ้งขึ้นเวลานั้น ถ้าอย่างนี้แล้วนี่มันก็ไม่ได้เสียใจดีใจเศร้าโศกโกรธแค้นคุณเคืองกับบุคคลก็ดีสัตว์ก็ดีหรือว่าสิ่งใดๆก็ดีมันก็ไม่แล้วไม่ไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างเหล่านั้นเลยไม่เดือดร้อนด้วยความเสียใจดีใจเศร้าโศกพวกนี้นะไม่มีไม่มีอยู่ในใจของผู้นั้นนะ เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าการมาพิจารณาขันหานี่จึงเป็นสิ่งจําเป็นของมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี่ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์เจ้าทรงตรัสว่าตัณหาอุปทานแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะอตัณหาคือความทะเยอทยานอยากก็ อ, อยากให้ร่างกายอันนี้แหละมันสมบูรณ์พูนสุข อยากให้ร่างกายนี่มันเที่ยงมันยั่งยืนไม่อยากให้มันแก่เจ็บตายง่ายง่ายกดริ้นรนแสวงหาปัจจัยทั้งสี่นั้นมาบำรุงหล่อเลี้ยงมันสร้างบ้านหลังใหญ่ให้โยอาศัยมีเครื่องอำนวยความสะดวกความสะดวกสบายให้ตามยุคตามสมัยอย่างนี้แหละความอยาก ของจิตใจเนี่ยนะก็เพราะมันมาห่วงขันห้าอันนี้อย่างรุนแรงนะมันไม่ต้องการยังไงขันห้านี่มันแปรปวนแจกดับไปง่ายๆการดิ่นลนแสวงหาปัจจัยมาบำรุงขันห้านี่เมื่อมันแสวงหาไม่ได้โดยทางสุจริตแล้วมันก็แสวงหาเอาในทางสุจริตเพราะว่าตัณหามันหนุนหลังนี่ มันให้ยาคืออย่างนั้นนะ ย, ยับยั้งความอย า, อยากนี่ลงไม่ได้เลยมีแต่สร้างความอยากให้เกิดขึ้นในใจนี่ทวีคูณ ย, ยิ่งขึ้นไปนั่นมันถึงได้ทำบาปคนเรา น, ะนี่บุคคลผู้ที่ทำบาปอยู่ในโลกนี่มันก็ล่วนแต่ไม่ได้พิจารณาขันห้า ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ทั้งนั้นแหละมันสำคัญว่าขันห้านี่เป็นของตัวของตนจริงจังแล้วถึงได้ไปทำบาปนานาประการแล้ว ก, ก็จึงได้สะสมความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทต่างๆให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจนี่ก็เพราะไม่ไม่รู้แจ้งในขันห้าไม่ปรงไม่วางขันห้านี่ สำคัญเราเป็นตัวเป็นตนแล้วห่วงเห็นมันไม่ยอมให้ใครมาด่าว่าตีเตี้ยนดูถูกดูหมิ่นอะไรต่ออะไรเลย อ, อถ้าใครมาดูถูกดูหมิ่นด่าว่าเสียดแทงเข้าไปอย่างนี้โอเจ็บใจหลายนั่นแหละแสดงถึงความห่วงเห็นในขันห้านี่นะใจมันไม่ได้พงได้วางแม้แต่น้อยเดียว แนี่ยะมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละถึงได้ทะเลาะวิวาทกันกระทกกบกระทั่งกันไม่ยอมให้เอาภัยซึ่งกันและกันหมู่นี้ล้วนแต่มูลเหตุมันมาจากจิตใจที่มาหลงยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละไปจากนี้เองเหตุที่มันจะได้สร้างกิเลสต่างๆเหล่านั้นให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจแล้วก็เป็นเหตุได้ทําชั่ว ด้วยกายวาจาใจนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นเพราะว่าขันห้านี้มีทุกคนนี้เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วมันก็มีขันห้ามีรูปหนึ่งมีนามมาทมหนึ่งเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะแต่บางคนก็ว่าโอ้ยเป็นธรรมะอันลึกซึ้งมากท่านแสดงไปนี่ไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ก็มี ผู้ใดมาปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้คล้ายๆกันกับว่าหมอเอายามาให้รับประทานนี่กยมันไม่หายหรอกโรคอันนี้นะ่ะถึงแะ้รมันก็จะตายอยู่แล้วก็อย่าไปกินมันเลยยาเนี่ยคล้ายๆกับอย่างนั้นแหละเรื่องมันนะอันนี้ก็เหมือนการคอนส่วนมากนะก็ฟังไปแล้วตนก็ปฏิบัติตามไม่ได้หรอก คนไม่สามารถจะรู้ได้ปฏิเสธไปเสียเลยเหมือนยังคนไข้ปฏิเสธไม่ยอมรับทานยาอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไม่ยอมทานยาโรคบางอย่างถ้าไม่กินยาแล้วก็มีหวังตายเลยอแต่บางอย่างไม่กินยาหายก็มีอันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสบางอย่างก็พอระงับไปได้บ้าง โดยไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ระงับไปได้บ้างมีโยเพราะอาศัยการอบรมกันฝึกสอนกันตามประเพณีของผู้ดีทั้งหลายอย่างนั้นก็พอทำความดีพูดดีไปได้บ้างแต่ว่าเมื่อมีเหตุอันชั่วร้ายต่างๆกระทบกระทั่งมานมันทนไม่ไหวมันก็ไปสร้างกิเลส ข, ขึ้นในใจ ดังนั้นนะ่ะผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานี่จึงไม่ควรปฏิเสธในการไหวพระนั่งสมาธิภาวนานั่งเพ่งดูขันทั้งห้าอันเนี้ยให้มันรู้ให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงเนยไอ้ตอนเกิดมาอาศัยขันห้านี่อยู่แล้วแต่ไม่รู้เรื่องขันห้านี่มีเยอะแยะคนในโลกอันนี้นะ เพราะฉะนั้นมันถึงได้เมาถึงได้หลงไปทํำบาปทาความชั่วต่างๆนั้นนะอืเพราะว่าความชั่วความดีมันมีอยู่ในโลกนี้และก็มันอยู่กับคนเะด้วยอย่างเช่นคนวางพวกเอา้ามันฝึกเล่นไพ่กันแล้วก็ฝึกวิธีโกงไว้บ้างแล้วฝึกเล่นทัวกรรมทัว เมื่อทำไปจ น, นชนานิชานาญแล้วก็ฝึกวิธีโกงไว้พร้อมอย่างนี้นะหรือว่าฝึกเล่นการพทานั้นหรือเเนี่ยนะเขามีวิธีโกงกันอยู่ในนั้นเลยเมื่อมันฝึกชานีิชนานาญอย่างแนแล้วเนะขามันก็ไปวางแผนเนะี่ยไอ้พวกกันเองนะนะั่นแ่ะทีแรกตั้งวงลงไปแล้วก็เชิญเชิญมาลงกันนะให้พวกกันเองนั่นนหะก็มันลงกันเนะี่ย ลงกันทีแรกมันก็เล่นทําให้ผู้ลงนั่นได้ขึ้นมาอืมวันนี้คนที่มามุงดูอยู่กับแหมมันเกิดอยากได้ขึ้นมาแล้วอืมพอเห็นคนต่างหน้ามันลงเข้าไปเท่านี้มันเจ้ามือมันก็เล่นโกนโกงอะไรแบบ น, นี้นะอืพลิกล็อกไปเลยนะคนที่ลงไปนั่นกัดมดเงินไป เขาก็รวยไปไได้เสียการบันทันไปอย่างนั้นก็เสียใจบบนี้หาทางแก้คืนเล่นแล้วเล่นอีกมันก็แก้คืนไม่ได้สักทีก็มีในที่สุดก็ถึงกับล่มจมไปมื่อเนี่ยโลกมนุษย์เราเนี่ยมันรู้จักมันฉลาดหลอกลวงกันเนี่ยฉลาดนักคนไม่มีสติปัญญาไม่ได้ฟังคำสอน ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปถูให้เขาหลอกเอาเงินเอาทองไปจนหมดเนื้อหมดตัวไปมีอยู่เยอะแยะเลยหลอกสรรพัดดังนั้นนะผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ควรไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลในคุณงามความดีต่างๆให้ได้ แล้วเมื่อมันมีสติควบคุมจิตได้อยู่เนี่ยมันจะไม่หลงกลมายาหลงกิริยาการหลอกลวงของผลอันดพานต่างๆในโลกนี้เลยเพราะว่ารู้แล้วนี่การพนันขันต่อต่อตางๆนี่เป็นทางความชิบหายใครเล่นเข้าไปแล้วไม่มีทางร่ำรวยหรอกมีแต่ทางชิบหายมื่อรู้อย่างนีใครจะมาหลอกล้ อ, อยังไงมันก็ไม่เล่นด้วยไม่เอา ของเสพที่ได้โทษต่างๆวันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าได้เรียนรู้ได้พิจารณาเห็นโทษของมันนะ่ะเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่ออัตภาพร่างกายอันนี้มากมายอย่างที่พัฒนามาแล้วนั้นอันหมูนี้มันก็มันก็ไม่ท่องเสพแล้วเมื่อมันรู้อย่างว่านี้แล้วนะแต่ที่บุคคลไปท่องเสพจนปิดลอมแงมจนตั้ง เนื้อตั้งตัวไม่ได้เลยโมนันรวนแต่ม่ได้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้สงบใจพิจารณาดูของเสพติดในโทกต่างๆคนนี้ไม่เห็นแจ้งไม่รู้แจ้งเลยพอเห็นคนอื่นเขาส่องเสพให้ดูละหดูเหมือนว่ามันจิตสนุกส น, นานดีอย่างนั้นแหละบางคนนีเท่าที่เห็นมาเนี่ยพวกสูกฟินมเนี่ย ไอ้เจ้ามือไอ้เจ้าของกล้องสูกฟิ่น์มันนั่นเขาก็เป็นเจ้ามือขายฟิ่นด้วยบ้านี้เขาเห็นคนหน้าแปลกแปกมาเข้าอย่างนี้เขาก็เชิญให้มาร่วมวมงกันเลยอะ่ะทีแรกมาสูบฟิฟี่เนี่ยตีให้สูกฟิฟี่ไปอย่างนั้ น, นอ่ะพอสูบเข้าไปแล้วมันไปติด รสเมาของมันสิบะนี้นะเออสนุกสนานดีบะนี้เ อ, อ่อฟินนี่มันมีรสชาติมันอย่างนี้เนาะทำให้สนุกสนานลื่นเลงบันเทิงใจแหมมันน่าสูกจริงๆ อ, อืงอวันต่อไปก็เอาอีกแล้วไปสูกอีกบะนี้พอเขาเห็นว่าเจ้านี่มันติดเอาไปแล้วมาภายหลังเนี่ยก็ต้องขายนะบะนี้นะ อ, อต้องซื้อแหละ ไม่ซื้อก็ไม่ได้สูบแล้ววันนี้จําเป็นที่ตัวมันติดแล้วอ่ะมันต้องได้ซื้อเขาอ่ะ น, นี้่นั่นเนี่ยเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลครบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นน ะ, ะบุคคลครบคนเล่นการพนันมันก็ไปเล่นการพนันกับเขาอไปครบคนเจ้าชู้มันก็เป็นคนเจ้าชู้กับเขาไป อย่างนี้ไปคบกับคนเดิมล้าเมาทุราอ้าวมันก็เป็นนักดื่มทุระกับเขาไปมื่อนี้นะอะบุคคลไปคบกับบุคคลผู้เป็นโจรเป็นขโมยเออมันก็ต้องไปเป็นโจรขโมยกับเขาไม่ไม่ไปทํากับเขาก็ไม่ ไ, ได้ตนไปคบกับเขาไปยินดีกับเขาอย่างนี้นะนี่แหละที่ว่าคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นนะ มันี้บางคนไปไปคบนักปราบบัณฑิตผู้ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจผู้ตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นหลักเป็นแหล่งเช่นพ่อค้าชาวนาชาวสวนหรือว่าพวกนายช่างก่อสร้างบ้านเรือนต่างๆหรือว่าช่างซ่อมเครื่องจักรกเครื่องยนต์กลไกต่างๆมือนนี้นะถ้าไปคบคนเหล่านี้เข้า คนเหล่านี้เขาก็ชักตัวนเนี่ยทำกิจธุระการงานอันมันจะได้มาซึ่งเงินซึ่งทองเหล่านั้นหรือไม่ใช่เขาก็ถ่ายทอดพิชชาความรู้ที่เขาเรียนมาเขาทํามานั้นให้ อ, อผู้นั้นได้ความรู้ความฉลาดในการงานนั้นนั้นถ้าไปครอบคนประพฤติสินทำรรอย่างนี้นะ อ้าวคนที่เขาประพฤติถิ่นทำเขาก็ชักจูนจงให้ประพฤติถิ่นทำไปตามเขาออืไปคบกับคนทําบุญให้ทานเขาก็ชัดชักจูนให้ทําบุญให้ทานไปตนก็ได้สั่งสมบุญกุศลไปไปคบกับคนที่เขารักษาศีลเขาก็ชักชวนให้รักษาศีลให้เว้นจากโทษนั้นนั้นตนยินดีกับเขาก็ต้องเว้นจากโทษนั้นนั้นไปตามกัน อย่างนี้แหละนี่พูดถึงการครบคนดีมันก็จะทำกายวาจาใจของผู้นั้นให้บริสุทธิ์จากบาปโทษพนทินต่างๆความชั่วลายต่างๆมันก็ถอนออกไปหมดเพระาะว่าคนดีเขาจมชักจูงให้ละทิ้งความชั่วเสียแล้วให้มาประกอบความดี ให้เกิดให้มีขึ้นในตนนี่ผู้ที่เข้ามาบวชในวัดวาศาสนานนี่ก็นับว่าเป็นบุญวาสนาของผู้เข้ามาบวชบุญกุศลหนหลังมันส่งมาเมื่อได้เข้ามาในวัดวาศาสนานแล้วอพระท่านคนนี้นำชักจูงให้ละความชั่วให้ทำความดีดตาม ถ้าทาวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้จักทรรมข้อวัดปฏิบัติรักษาความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยสถานที่ต่างๆมูลีรักษาความสะอาดในผ้าหนุ่งผ้าห่มอะไรต่ออะไรเนี่ยเรียกว่าเราได้มาฝึก ให้เป็นคนสะอาดสะอ้านเข้าไปเช่นนี้นะมันก็เลยกลายเป็นคนดีไปแล้ววันนี้คนเราเป็นคนมีวัฒนธรรมอันดีงามอยู่ในตนมีทั้งศีลธรรมมีทั้งวัฒนธรรมอยู่ในตนด้วยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลจึงไม่ควรที่จะมาย่อท้อในการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า มันเป็นของดีจริงๆผู้ใดปฏิบัติตามแล้วผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์ไปโดยลําดับได้จริงๆพ้นทุกข์ในขั้นต้นก็ได้แก่พ้นจากอาบายภูมิทั้งสี่เห็นตายแล้วไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้เป็นเปรตไม่ได้เป็นอสุรกายไม่ได้ไปเกิดในกำเนิดสัตรฉาญ น, นี่เรียกว่าพ้นทุกข์หยาบๆอันนี้ไปได้ในขั้นต้นนี่นะ ถ้าหากว่าบุญบา ร, รมียังไม่แก่กล้าเต็มที่ยังไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ก็ไม่เป็นไรว่าแต่ขอให้ละบาปกรรมคมชั่วอันเป็นเหตุที่จะพาให้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิอันนี้ให้ได้แล้วก็นับว่าเป็นบุญยาลาบของผู้นั้นมากมายทีเดีย ว, วเพราะว่าเมื่อพ้นจาก พกดังกล่ามานั้นได้แล้วมันก็ต้องได้ไปสวยสุขเท่านั้นออยู่ในสวรรค์สวรรค์นั้นเป็นสถานที่มีความสุขสําราญปราศจากเวรภัยปราศจากการเบียดเบียนการเข็นฆ่ากันด่าว่าเสียดสีกันต่างๆนานาพวกนี้ไม่มีในสวรรค์ มีแต่คนมีศีลมีธรรมทั้งนั้นไปเกิดในสวรรค์คนมีบาปแล้วไม่มีศิ์ไปเกิดได้เลยนั่นเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่มีความสุขอย่างไรแล้วนั่นแหละให้พากันพิจารณามันเห็นอย่าไปประมาทเห็นแต่แกรับแกนอนกินแล้วนอนไม่ไหวพระไม่ไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไม่เพ่งดูธาตุสีขันห้าอันนี้ ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงแนวเสนีมันก็ละบาปไม่ได้คนเรานะ่ะนั่นผู้ที่จะละบาปได้จริงๆรนั่นก็เพราะมามองเห็นอัตภาพร่างกายที่ดวงกิตอาศัยอยู่นีนะ่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วมันไม่ใช่ของตนถ้าถ้าเป็นของตนตนก็บังคับได้ตนจะต้องบังคับไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายจะจะให้มีอายุยืนยาวนานตลอดไปไม่มีสิ้นสดุดน กามุ่งหมายเนะี่ยแต่แล้ามันไม่เป็นไปตามความประสงค์อย่างนั่นสี่เพราะว่าร่างกายสังขาร น, นี่มันบังคับไม่ได้นะมันบอกไม่ได้มันย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทําลายลงในอย่างนี้ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นกันห้าอย่างนี้แล้ว ก็จึงบันเทาเสียได้ซึ่งความโลภความโกรธความหลงน่ะแล้วก็ไม่ทําบาปแล้ววันนี้เออไม่ทําบาปไม่เวียดเบียนใครมีแต่ทํากุศลคุณงามความดีเมื่อเวลาขันห้านี่มันยังมีอยู่ยังเป็นไปอยู่บุญกุศลที่ได้ทํามาแต่ก่อนก็ยังไม่หมดยังรักษาขันห้านี่ให้มีกําลังวังชาดีอยู่ อย่างนี้นะก็ไม่ควรที่จะประมาทพยายามไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วเช่นนี้จิตใจของผู้นั้นก็จะไม่น้อมไปทางบากอากุศลจะน้อมไปแตทางบุญทางกุศลทางเมตตาการุณาโน้มไปทางปล่อยวางความยึดความถือธาตุสี่ขันห้าอันนี้ นั่งภาวนาสอนใจให้มันตรงธาตุสี่ขันห้านี้ลงเรื่อยๆไปเอาเราภาคเพียนสอนไปอย่างนี้มันมันรู้ตัวแล้วเมื่อตนสอนตนเข้าไปนะเมื่อมันรู้ตัวได้อย่างนี้มันก็หัดฟงหัดตวังขันห้านี้ไปเรื่อยๆใครด่ามามันก็ไม่โกรธป่ะนี่นะั่นไม่โศกเศ้าเสียใจกับความผิดหวังหวังต่างๆนั่นนะดังแสดงมาโดยลําดับ ก่อนนับฝ่าสมควรแค่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้